บุตวสวัสดีค่ะรายการสันนีสนานามารายงานตัวกับท่านนะคะที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106ดิฉันสันนิษฐานาพง์นะคะจะนำเอาธรรมะของพระศาสดามามอบให้กับท่านผ่านทางพระอาจารย์ไทบูรณ์อภิปุโนนะคะซึ่งท่านก็เป็นพระสงค์อยู่ที่วัดป่าดอนไยโศกจังหวัดอุดรธานีที่มีการสอนปฏิบัติธรรมให้กับผู้ที่สนใจ กันเป็นประจําที่เราเรียกว่าเป็นหลักสูตรเล็กเล่นนะคะไปกราบนัสการท่านกันเลยนะคะนัสการ์ทั้งคะเขพานค่ะก็แปบเดียวหมดไปอีกเดือนแล้วนะคะเนี่ยวันเดียวเองมกราจะจะหมดแล้วค่ะไม่าที่ค่อยๆหมดไปหมดไปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันทุกวันนะคุณยมติ๋วคือว่าอาทิตย์เกิดมาทางที่ตัวเอาตัวไปทางที่ตัวตกคือทุกวันเหมือนกันเหมือนกันทีนี้คนเราจริงๆ เราไปใส่เท่านั้นเองว่าวันนี้เป็นวันธงชัยวันนี้เป็นวันดีวันนี้เป็นวันเสาร์วันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่ทุกวันจริงๆมันเหมือนกันในจริงๆถ้าไม่มีพระจันทร์พระอาทิตย์นะมันไม่มีวันคืนด้วยซ้าคือมันเหมือนกันวินาทีนี้กับวินาทีต่อไปเหมือนกันทรานอาจารย์คะอันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการกําหนดให้เป็นวันจาจารย์ขันพูดพระรหัสเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องกับสัญญาใช่อันนี้คือสัญญาเลยถูกต้อง คือความหมายรู้เลยค่ะคือการกําหนดขึ้นนะหมายเอาว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้นะอันนี้เรียกปากกานะอันนี้เรียกดินสออันนี้เรียกวันเสาร้ น, นี้เรียกวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็สมมุติกันขึ้นมาดิฉันเองเนี่ยก็จัดว่าอยู่ในวัยกลางคนแล้วนะคะถ้าเอ า, อาชีวิตคนสมมุติมีหนึ่งร้อยเนี่ยก็อยู่ตรงกลางค่อนไปทางปลายละทีนี้ดิฉันก็มีเพื่อนกับพี่กับน้องอยู่ในวัยใกล้ๆเคียงกัน ระยะหลังนี่ก็ว่างกันมากขึ้นนะนะคะ yeah, จากหน้าที่การงานบางคนก็เกษยียณไปแล้วแต่ที่ฉันไม่เกษยียณนะคะ uh huh. พูดถึงตามอายุเนี่ย uh huh. อ่าก็จะพูดถึงกิจกรรมต่างๆส่วนใหญ่ก็จะสังสรรค์เฮฮาไปเที่ยวเมืองไทย uh huh. ไปเที่ยวต่างประเทศอ่ามีทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนๆที่มีปริมาณมากขึ้นทุก ป, ปีในการที่จะไปอุทิศส่วนกุศลให้ oh. นะคะแล้วก็ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์บ้างเล็กน้อยแต่ดิฉันเนี่ยขาสังเกตว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเหมือนตักตวงสิ่งที่เกรงว่าเมื่อผ่านวันนี้ไปแล้วมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเช่เนไปเที่ยวไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะแต่เราจะละเว้นในการที่จะคิดว่าเอ๊ะไม่เล่มันะจะถึงวันนั้นของเรานะไม่ค่อยคิดถึงกัน ในวาระสุดท้ายเ น, นี่ยนนเรา ค, ควรจะเริ่มคลิปตอนไหนให้คิดให้รอบครอบนิดหนึง่งคุณโยมติยวค่ะเอออย่างคือถ้าถ้าในทางคารวะสนะการที่จะไป เ, ะเที่ยวไปดูนั่นนี่หรือว่าคุยสังสรรค์ฮียร์ปาร์ตี้อันนี้ก็ธรรมดาธรรมดาเนี่ยหมายความว่า เ, เป็นผู้ยังหาความสุขในทางต่างทางหคนะูความสุขในการบริโภคกรารมนะสัพที่พระบรุตรเจ้าใช้ก็คือความสุขทั่วๆไปและอย่างเวลาที่เรามาทําบุญอยู่ทิศให้เพื่อนหรือว่า ทำเป็นงานอาสาสมัครบ้างอะไรพวกนี้ก็นิดนิดหน่อยหน่ยตัวนี้คือคืองานการกุศลอันนี้คือเอาทำสร้างบุญอันนี้ก็ส่วนหนึ่งทีนี้ในในความเป็นผู้บริโภคการก็ยังยินดีอยู่ในทางที่จะไปหาความสุขจากการทางตางทางหูนั่นนะทีนี้ความคิดที่เขามีเนี่ยก็คือว่าอย่างที่คุณยมติว่าเลยว่าโอ้ยถ้าแกแล้วมันจะไปไม่ไหวก็รีบ ไ, ไปตอนนี้ก่อนนะอันนี้ก็แม้แต่ในสมัยพุทธกาลก็ยังมีคนคิดแบบนี้นะว่า สิ่งในช่วงปฐมวัยเนี่ยยังไม่ถึง50หรือว่ายังไม่กเกษียณเนี่ยควรที่จะไปเสพความสุขทางกามนะแต่เลยปฐมวัยไปแล้วนะคือหมายถึงวัยที่กำลังแข็งแรงเข้าสู่ปฐิบมวัยแล้วเนี่ยค่อยไปทำอะไรที่ที่คนแข็งแรงเขาจะทำไม่ไดนะ้ความคิดนี้มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วคุณโยมเติว บ, นะาบางคนก็มาบวชก็ต่อเมื่อเห็นผมหงอกที่ผมตัวเองนะถึงก็จะมาบวชก่อน น, น, นั้นจะจะไม่คิดนะก็จะ หาความสุขในทางตาทางหูทีนี้ถามว่ามันดีหรือไม่ดีหรือมีดีกว่าไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างในอยู่ในปฐมวยัยแต่ก็ออกหาความสุขชนิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยตาด้วยหูเพราะว่าความสุขที่เกี่ยวข้องด้วยตาด้วยหูเนี่ยมันมีโทษมากคือทําไมเรายังยินดีความสุขในการที่ไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างจังหวัดกินดื่มพูดเล่นกันอันนั้นเพราะว่าเรายังยินดีตรงนี้อยู่ แต่ถ้าผมว่าเราเห็นความสุขที่เกิดที่มันเหนือกว่าดีกว่าเราก็เห็นโทษของไอ้สิ่งที่เรากําลังทําอยู่เสพอยู่แเราจะละมันได้เพราะว่า ม, มันเสียเวลานนเนี่ยถ้าเราจะมาใช้เวลาในการที่จะหาของที่มันมีโทษมากเราไปหาของที่มันมีโทษน้อยดีกว่าก็เราก็จะละได้นี่คือพูดหลักการทั่วไปนะค่ะแต่จะว่าไปมันก็เป็นความคิดปกติธรรมดานะคะเหมือนกับว่าอเรื่องที่มันจะ เห็นชัดๆแล้วก็เห็นคนอื่นมาก่อนว่าเมื่อถอยแรงไปแก่มากขึ้นจะมีเรี่ยวมีแรงในการทำโน่นทำนี่น้อยลงก็เป็นความกังวลตามปากติไม่จะรีบทาซะตอนที่แรงดีแต่นี้โอเคอ่ห้นหาอธิบายนนี้นิดนึงค่ะคนที่เขาออกบวชนในปฐมวัยได้เขาก็มีความคิดเห็นอย่างนี้เหมือนกันคุณโยมติว่า โอ้ยถ้าแก่ไปเนี่ยนะจะมานั่งสมาธิทําความเพียรเพื่อให้จิตใจเป็นสมาธิมันยากรีบทำตอนนี้ดีกว่าเออเขาก็มองคนละมุม ก, ก, กันกับคนที่จะไปเที่ยวไปเล่นโอ้ย <c oughs> ถ้าฉันแก่ไปฉันจะเดินไม่ได้อะไรไม่ได้ฉันรีบเที่ยวก่อนตอนนี้เออมันก็ตรงข้ามกันเขาเห็นอยู่ที่เห็นประโยชน์อะไรเราเราจะใส่รัพยากรหรือความสามารถของเราไปตรงไหนที่เราเห็นประโยชน์นั่นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยรายการนี้ที่ดิฉันพยายามทําอยู่นะคะก็เข้าใจคือ เอาตัวเองเป็นตัวอย่างด้วยว่ามนุษย์ธรรมดาคิดกันพื้นๆแบบนี้แหละแต่ทําอย่างไรถึงจะทําให้ทําควบคู่กันไปได้เหมือนเช่นที่พยายามเรียนถามท่านเมื่อวานนี้ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของอาการที่จะดําเนินชีวิตในวันปกติธรรมดาอันนั้นโยกตัวอย่างวิธีการพูด mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. พูดแล้ว mm hmm. ให้ได้เกิดประโยชน์ธรรมะงอกงาม สะสมไว้เป็นต้นทุนในการที่จะทุกน้อยลงหรืออาจจะไปนิพพานเลยอย่างที่ท่านบอกว่าอ่ถ้าปฏิบัติแบบนี้แบบที่พระเคร่งเคร่งำอยูนะ่เป็นไปได้นะคะใช่เป็นเป็นไปเพื่อความรูย้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานได้นี่เป็นพุทธพจน์เลยค่ะดิฉันเคยได้ยินคาว่าอิ่มสีสังวรตัวอย่างของการที่ยกเมื่อวานเนี้ยว่าในการที่จะต้องพูดกันในเรื่องอื่นๆซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ พระผูทธเจ้าบอกว่าไม่ให้พระคุยกันคือเรื่องเรื่องโลกทั้งหลายใ ช, ใช่ไหมคะแต่เรายังเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราก็ยังต้องคุยเรื่องโลกทั้งหลายเพราะว่าก็มีเรื่องทอกอฟต์หรทาวให้เราพูดถึงเยอะอให้ได้อัดได้ทำใช่ค่คะท่านทบทวนอีกครั้งได้ไหมคะเผื่อว่าคนไม่ได้ฟังเมื่อวานเร า, เราได้พูดถึงเรื่องของเดนชาญคถาคือเรื่องกวามหนทางธรรมที่พูดไปแล้วมันจะมันจะทําให้เกิดเอปัญหาคุย ตกเทียงกันหรือทําทให้เกิดความเพลิดเพลินไปในเรื่องอื่นๆใ ด, ดนะทําให้เกิดการแบ่งพักแบ่งพวกหรือทําให้เกิดการที่จะต้องออมีเรื่องที่จะคุยกันไปอีกเยอะแยะมากมายไม่ได้เป็นไปเพื่อความสงบเช่ น, ะนเรื่องของประราชาเรื่องของออบ้านเมืองเรื่องของท่านา้ําเรื่องคนที่ตายไปแล้วเรื่องมหาสมุทรอะไรต่างๆพวกนี้นะแต่ที่ถ้าจะคุยจะพูดก็ให้พูดมาลงในเรื่องของอริยสัจ4ี่ คือทุกสมุทัยนิโรธมักพูดอะไรก็ตามให้มันมาจับลงในเรื่องนี้แต่เราก็ะาจะไม่ได้ทวนกระแสโลกในชนิดที่ว่าคุณเอกเขาจะไม่พอใจแต่เราก็ยังพูดปฏิบัติในทางธรรมของเราได้แเราก็พูดเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจาวันได้ค่ะท่านคะและที่ดิฉันถามมาค่ะว่าในลักษณะที่ท่านพูดถึงอยู่นี้ถือว่าเป็นอินทรีย์สังวรไหมคะถูกทอดนี่คือการสรํารวมบาจาการสำรวมเนี่ยมันต้องมีขาเข้าแล้วก็ขาออก ขาเข้านี่ก็คือเรารับรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจในาตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทางนี้เนี่ยเป็นขาเข้ามาอยู่ในใจของเราใจของเรารับรู้สิ่งเหล่านี้ได้เราต้องสมรวมปิดกั้นตรงตร ง, ตรงขาเข้านี้ด้วยสมมรวมปิดกั้นตรงขาเข้าเนี่ยหมายความว่าสิ่งใดที่จะเป็นอกุศลธรรมอย่ายให้เข้าสิ่งใดที่จะเป็นกุศลธรรมให้เขา้าได้ปิดกั้นตรงนี้ก็เรียกว่าเหมือนยกกาดขึ้นมายกกาดขึ้นมาสังบอรสมมรวมตรงนี้ขึ้นมา นโยกการในการที่จะปิดกั้นไม่ให้คู่ต่อสู้ชกตรงนั้นชกชตรงนี้แต่เขาจึงมีโคชที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคอยบอกระวังช่องนั้นระวังช่องนี้ก็ก็จะชี้ให้แต่ตัวนี้ระวังเรื่องวาจาระวังเรื่องทางตาระวังเรื่องเพศตรงข้ามระวังเรื่องกินดื่มตรงนั้นก็จะมาอธิบายตรงนี้อันนี้คือระวังขาเข้าแต่นี้จุดที่มันจะเข้าได้นอกจาก6ช่องทาง น, นี้จะคูณ2ก็ได้คือบางทีเรา เห็นโดยภาพรวมหรือเห็นโดยแยกเป็นส่วน ๆ, วนๆนเห็นโดยภาพรวมเช่นเราดูรถทั้งคั น, นรถคันนี้ดูรวมๆแล้วสวยหรือว่าถ้าเห็นแยกเป็นส่วนๆโอ้ตรงส่วนประตูนี่ออกแบบดีส่วนไฟท้ายสวยดีอันนี้คือแยกเป็นส่วนๆนไม่ว่าจะจุดไหนก็อย่าให้อากุรสลธรรมมันเข้ า, าซึ่งอกุรลธรรมในที่นี้นหมายถึงทั้งที่ความสุขที่จะทําให้เราเพลิดเพลินลุ่มหลงไป หรือทั้งความทุกข์ที่จะทําให้เราขยะแขยงเกลียดชังในทั้งสองทางอันนี้คือขาเข้า<อ>แล้วขาที่จะออกขาที่จะออกขาที่จะออกไปเป็นวาจาออกไปไปเป็นการกระทําทางกายอย่างใดอย่างหนึง่งไปเป็นการกระทําทางใจนะจิตไปคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะอันนีขออาานะ้ขาออกทางกายวาจาใจก็ต้องสํารวมขาออกทางกายวาจาใจสํารวมนี้ก็หมายความว่ า, าถ้าเวลาจะพูดนะก็พูดอยู่ในสมัมมาวาจาถ้าเวลาจะกระทํากระทําทางกาย น, นกัก็อย่าฆ่าอย่ารักอย่ากมยเวลาที่จะกระทาทางใจอย่าไปคิดในการที่จะเป็นพยาบาทาติเตียนเขา้าหรือว่าความที่จะเพ่งเลงอย่าไปคิดในลักษณะนั้นนี่คือสํารวมทางขาออกค่ะอันนี้ดูเหมือนกับท่านพูดทำนองว่าเราต้องพยายามอย่างกรณีอากุศลธรรมขาเข้าต้องปิดไม่ให้เข้ามานี่ก็คือว่าเรารู้ตั้งใจจะปิดไม่ให้เข้ามา อันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับนายทวานที่คอยปิดประตูในนายทวานนี้ก็คือสตินั่นเองต้องมีสติตั้งไวเลยตรงนี้ในหกทางนี้แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเออก็ก็เข้ามาเองนะจู่ๆก็เข้ามาเนี่ยก็ <c oughs> มมันีประตูบางทีก็เข้ามาแล้วก็ยามหลับในอ ก็มีประตูและยามหลับในเขาจะไม่เข้ามาได้ไงก็เข้ามาแล้วเปิดอาซ่าไม่ระวังค่ะ่ะาในโลกปัจจุบันก็มีช่องทางให้พวกนี้ยเข้ามาบางทีเมื่อก่อนอาจจะเข้ามาได้น้อยใช่อ่านหนังสือบีมพเท่านั้นใช่ไหมค่ะเดี๋ยวนี้มันโทรศัพท์มือถือแล้วมันติดตัวเรายี่บสี่ชั่วโมงใช่ค่ ะ, ะคนเป็นอย่างนั้นค่ะอ่าแล้วบางทีถ้าเป็นสื่อกระแสหลักเนี่ยก็อาจจะ มีกรอบกบติการมารยาทที่ทำให้เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาเนี่ยอาจจะผ่านการพิจารณาอย่างดีแล้วว่านำเสนอได้แต่ถ้าเป็นโลกโซเชียลเน็ตเวิร์บางอย่างเนี่ยนะคะอะไรก็ได้เข้ามาทั้งหมดเลยเจ้าตัวจะต้องเป็นคนมีปัญญาแยกแยะเองทีนี้บางทีเราอยู่กับคนหมู่มากนะคะคนหมู่มากก็คิดกันคนละอย่างสองอย่างคนละแบบสองแบบเนี่ยเราก็อาจจะไม่ชอบความคิด ที่อยู่ในนั้นคนอื่นเขาก็อาจจะไม่ชอบความคิดที่อยู่ในนั้นแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงชอบนะคะความคิดนี้ก็นำเสนอขึ้นไปแเกิดความไม่พึงพอใจกันขึ้นมามเพื่อนบางคนก็เลยบอกทุกวันนี้เลิกใช้แล้วไลน์อ่าที่มีคนอยู่เยอะๆนะค ะ, ะ, คะก็ท่านก็บอกว่าเพราะผมจะปฏิบัติสัมมาวาจา เรื่องของการที่เราส่งข้อความเนี่ยเป็นสมาราจาแน่นอนนะเป็นเป็นบาจาแน่นอนคือคือถึงแม้เราจะไม่ได้เปล่งเสียงออกมาแต่ว่าเป็นเป็นความคิดที่เรียบเรียงเป็นคําพูดแล้วก็พิมพ์ออกมาเนี่ยคือพูดอยู่ในใจอะ่ะถ้ า, ถ, าถ้าสั์ภาษาทางการแสดงเขาชืเรียกว่าอินเตอร์เน็ตด่าหรอกคือสับที่พูดอยู่ในใจเนี่ยเขาก็จะพิมพ์ออกมานี้ยื่อว่าเป็นวาจาแน่นอนค่ะถ้าสมมุติว่าเกิดเป็นข้อความที่ส่งเข้ามาคนอื่นเขาไม่รู้สึกอะไรแต่แม้เรามันรู้สึกมุดอิด ไม่พอใจ อ, อันนี้อธิบายเป็นธรรมะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือแสดง ว, <ร>ว่าเราไม่ได้สํารวมอินทรีย์สํารวมตาสังรวมหูเราไม่ได้สํารวมสว ม, มันไม่ได้ผิด <di> ที่ข้อความที่ส่งเข้ามาหรือคนส่งเข้ามาหรือครัท่านค่ะโอเคเขาผิดหรือไม่ผิดเราไม่ทราบเขาอาจจะผิดก็ได้หรือเขาอาจจะถูกก็ได้ <plan. S 2> อสมมุติว่าเขาถูกอหรือสมมติว่าเขาผิดก็ตามสมมุติว่าเขาผิดแต่เราจรี๊ดเนี่ยเราผิดเพราะอะไรเพราะโทษเกิดที่เราโทษเกิดที่ใครโทษเกิดที่เรานะเพราะอะไรเราร้อน ความร้อนเกิดที่เราไม่ได้เกิดที่เขาเขาอาจจะถูกก็ได้เขาอาจจะปิด ก, ก็ได้ยกไปก่อนต่อให้เขาผิด ก, ก็ตามแล้วถ้าเราร้อนเราจีด๊ดโทษเกิดที่เราเราจะแก้ยังไงไม่ได้แก่ที่เขาต้องแก่ที่เรา <Okay. S 1> เพราะมันไฟมันอยู่ในมือเรามันไม่ได้อยู่ที่มือเขาแล้วค่ <Okay. S 1> อาถามว่าในจุดนั้นเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าตาและหูเนี่ยช่องสองช่อ ง, องประตูสองประตูเนี่ยนายทวารเขหลับในค่ะ <Okay. S 1> คุณไม่ได้ปิดคอยปิดประตูวไว้นะีมันเลยเกิดอะไร จิตใจก็เลยปรุงแต่งออกไปในทางที่จะเป็นพยาบาทนี่คือขาออกจึงเป็นพยาบาทเกิดขึ้นขาออกเป็นพยาบาทเกิดขึ้นมันก็ร้อนเผาตัวเองอยู่นี่คือขาเข้าก็ไม่ระวังละ2 22ส ส, ส, ส, ส, ส่วนนี่คือตาและหูเป็นต้นขาออกก็ไม่ระวังคือส่วนที่ใจในส่วนที่3ตอนที่ปรุงแต่งคิดอะไรออกมาหรือบางทีเราพิมพ์กลับไปอีกหรือโทรกลับไปด่าเา้าอันนี้ก็คือวาจาขาออกเรื่องวาจาก็ไม่ได้สํารวมหรือว่าแบบ เดินทางไปทุกตีกั น, นชี้หน้าดากันอันนี้ก็มือไม้ขึ้นละอันนี้ก็ทางกายไม่ได้สำรวมอีกทั้งหักขาเข้าและขาออกนี้ต้องระวัง ต, งต้องกลับมาจุดนี้คุณโยมติว่าเ อ, อที่สำรวมสำรวมเนี่ยมันสำรวมยังไงใช้เครื่องมืออะไรก็คือในวัะตวนนั่นเองในประตูที่เฝ้าประตูายามที่เขาเฝ้าอยู่หน้าประตูหมู่บ้านเนี่ยหรือว่าตำรวจที่เขาเฝ้าอยู่ที่ป้อมตำรวจป้อมยามเนี่ยเขาจะต้องไม่หลับใน เราจะต้องคอยระวังอยู่ที่ตรงนั้นจะหนีไปนอนจะไม่สนใจใดๆ ไ, ไม่ได้จะไปที่อื่นไม่ได้ต้องอยู่บริเวณนั้นต้องอยู่บริเวณนั้นซึ่งตรงนี้เป็นอุบมาปุบมมยที่พระพุทธเจ้าเปรียบกับว่าสตินั่นเองสติรเราจะต้องคอยเฝ้าอยู่ตรงนั้นคอยระวังอยู่ตรงนั้นถา้าเราจะฝึกสติได้เนี่ยเราจะทํำยังไงคือการที่เรามีอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ อยู่ในโลกที่มีข่าวสารมากมายแสดงว่ามันมีผัสสะอยู่ตลอดเวลาเข้าออกเข้าออกเข้าออกแตนะ่ยิ่งคนเยอะๆคนมากๆเนี่ยโหยการจะตรวจตราเนี่ยมันยิ่งยากอย่าเตือนนึกถึงนาะแบบเวลาในสถานีรถไฟที่คนเยอะแยะมากมายเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยจะหาคนสักคนหนึ่งที่เป็นคนก่อการร้ายอย่างเงี้ยโหยมันทีแฝงตัวเข้าไปหาไม่เจอแล้วนะเพราะฉะนั้นจึงต้องลดผัสสะพวกนี้ก่อนลดผัสสะพวกนี้ก่อนนะให้นายทวัลหรือตำรวจของเราเนี่ยฉลาดฉลาดหน่อยมีความสามารถส่งไปฝึกก่อน แต<น>ส่งไปฝึกเนี่ยก็จะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมนะก็คืออย่างที่โรงเรียนตำรวจเป็นต้นหรโรงเรียนทหารเป็นต้นเขาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมใช่ไหมมีสถานการณ์การฝึกอย่างดีก็เช่นเดียวกันกับที่เราไปวัดปฏิบัติธรรมแต่คุณมาวัดปฏิบัติธรรมมีการหลีกเล่นปฏิบัติหนักกินะอาหารพอประมาณมีการฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมอย่างจริงๆจังๆนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลามีการเดินจงกลมหนักสมาธิอันนี้คือการฝึกเป็นรูปแบบเพื่ออะไร เพื่อให้ในายทวารของเราเนี่ยสติของเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมา น, นพอสติของเราเข้มแข็งขึ้นมาแล้วอันนี้คุณจะไปรับผัรษะก็มีความสามารถอา้าวถ้าไปรับพรรสมีความสามารถแล้วมันแตกพ่ายกลับมาอีกก็ต้องมาฝึกใหม่ก็เปนลักษณะนี้ค่ะดังนั้นสมมุติว่าในสถานการณ์เช่นนี้มันก็มีทางที่ว่าเราจะต้องปิดกั้นพรรษะเอ๊ะใช้คํานี้ถูกน ะ, ะอา่าถูกต้องถูกต้องปิดกั้นผัรษะ ซึ่งบางทีปิดกั้นผัสสะนี่เราอาจจะหลีกออกมาจากวงสนทนานั้นก็ได้เช่นเดียวกันก็คือลดผัสสะไปเลย<น>ำจำ<ด>เป็นไหมคะว่าไม่เจ๋งต้องอยู่ต่อแล้วก็ฝึกกับตรงนั้นเลยมันมันแล้วแต่กรณีคุณโยมติวิพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยพูดถึงว่าสิ่งที่เสพสํารวมแล้วเสพเสพได้ก็มีเช่นว่าการที่เรารับประทา น, านอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่ไม่กินอาหารมันก็อยู่ไม่ได้นะ ก็ต้องกินอ่ะกินแล้วก็ต้องรู้จักในการที่จะเสพแตพิจารณาแล้วจึงเสพนี้ได้หรือสิ่งที่จะต้องละหลีกไปเลยอย่าไปสนใจเช่นซ่องโสเภณีหรือว่าที่ที่มันจะมีสัตว์ป่าดุร้ายหรือว่าที่ที่จะมีคนพันอยู่เยอะแยะที่จะเป็นซ่องโจรพวกนี้เราอยากเข้าไปก็คือไม่ต้องไปต่ให้ต่ให้คุณเก่งขนาดไหนอ่ะก็ไม่ควรไป ก็คือต้องพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปใช่ถ้าหากว่าเป็นอะไรที่เป็นอะตุลชนชัดๆเป็นที่อะโคจรชัดๆอันนี้ก็อย่าไปนะคะอันนี้ต้องใช้ปัญญาพอสมควรอ่ามันมันอยู่ที่ว่าคือถ้าเราทําเป็นทําเป็นคือถ้าเรามีจิตใจในการที่จะคิดในเรื่องอริยสัจสี่อยู่แล้วเนี่ยจิตใจใ<ช>มันจะน้อมไปในทางธรรมอยู่ละแต่ถ้ามีความจําเป็นต้องใช้จริงๆอะ่ะต้องทําจริงๆต้องอยู่จริงๆต้องคุยจริงๆ เขาก็จะเอาตัวรอดได้มันก็จะเป็นไปได้ค่ะจริงๆจี่นั้นก็มีความเชื่อนะคะว่าการที่เรามีสภาพแวดล้อมที่มันวุ่นวายก็เป็นอุปสรรคของการที่เราจะฝึกจิตให้สงบนะคะแน่นอนแน่นอนเนี่ยอันนี้อันนี้จึงเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทำเป็นตัวอย่างนะคุณโยมติ๋ว แถึงแม้ว่าพระองค์จะจบรรลุอนุตตรสัมมาสมัมพุทธิ์แล้วเป็นสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วแต่ก็ยังทําเป็นตัวอย่างในการที่ไปหลิกเลนนฉะันอาหารเสร็จแล้วไปอยู่ในราวป่านะไปหลิกเร่นอยู่สักสี่ห้าชั่วโมงตอนเย็นค่อยกลับมานะบางทีก็ไปสองสามวันบางทีก็ไปเจ็ดวันเดือนหนึ่งก็มีอันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเพราะดิฉันมาจินตนาการนะคะก็คิดว่าขนาดเป็นพระสงฆ์ธรรมดาธรรมดาหรือว่าเป็นพระ มีชื่อเสียงหน่อยที่เก่งในสายตาของญาติโยมลักษณะต่างๆก็รับแขกไม่หวั่นไม่ไหวแล้วนะคะท่านเจ็บหว่อนใช่พระพุทธเ<อ> จ, <ะ S 2> จ้าพระองจะเวลาเวลาที่เวลาที่จะต้องหลีกเล่นก็จะต้องมีเวลาที่จะต้องทําหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จัดเวลาไวค้คือหมายความว่าเวลาที่จะต้องตอบปัญหาอะไรต่างๆก็จัดไว้ช่วงเวลานี้ทำแต่บางครั้งเดินทางไปเมืองอื่นๆ ในช่วงที่ไม่ได้พบปะเจะเจอไกลก็ไปหลีกเล่นอันนี้ก็ทำค่ะท่านคะพูดถึงในสิ่งที่ได้กล่าบเรียนสนทนาท่านในวันนี้ดิฉันเองอยากจะฟังว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสเป็นพุทธพจน์ไว้อย่างไรบ้างแล้วก็อยากจะให้ท่านฟังได้มีโอกาสฟังว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนี้น่าในเรื่องเกี่ยวกับที่เราได้กล่าวกันไปแล้วเนะะี่ยค่ะอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเอาไว้เหมือนกับออหัวเมืองชายแดนแะป้อมปราการ ของของพระราชาที่อยู่ชายแดนเป็นป้อมปราการเปรียบเทียบไว้อย่างนี้บอกว่าเปรียบเหมือนปัจจันตนครของพระราชามีนายทวารที่เป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดมีปัญญาห้ามเข้าแก่คนที่ไม่รู้จักให้เข้าแก่คนที่รู้จักเพื่อกุ้มภัยในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดอริยสาวกก็เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเปน็นเรื่องรักษาอย่างยิ่ง ระลึกถึงตามระลึกถึงซึ่งกิจที่กระทําและกรคมที่พูดแล้วแม้นานได้เกิดจากนั้นเป็นผู้มีสติเป็นนายทาวานย่อมละอกุศลเจริญกุศลละกรรมมันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่ฉะนั้นเหมือนกันอันนี้คือพุทธพจน์รเรื่องของการสรํารวมมินรีย์ด้วยสตินั่นเองยามผ่านค่ะค่ะท่านฟังคาร์และนี่ก็ อาจจะพูดกันบ่อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเอ๊ะวิธีเราจะดำเนินชีวิตเอาธรรมะเข้ามาใช้อย่างไรในสภาพแวดล้อมที่ส่วนใหญ่พบปะเจอกันก็หวังว่าท่านจะแนะนำไปใช้ประโยชน์นะคะท่านอาจารย์เจริญบานค่ะแล้วอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติใชไหมคะเพราะบางคนคิดว่าปฏิบัติเนี่ยต้องนั่งสมาธิไหมคะอันนี้ก็คือ ก, การปฏิบัติที่อยู่ในชีวิตประจำวัน นะคือการปฏิบัติที่เราจะแบ่งเป็น2 ส, ส่วนก็คือการใช้นำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจําวันอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็การปฏิบัติที่เป็นรูปแบบอย่างเช่นเรามาวัดนั่งสมาธิอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งก็ได้ก็ได้ทุกส่วนแต่ต้องมีสติไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามต้องมีแน่นอนค่ะก็เป็นวิธีการฝึกการเจริญสติ<ม>นะคะโดยที่ไม่ต้องไปยากลําลบากหรือไปทําตัวที่คนก็จะบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ทุ้สึก แปลกไปนะคนอาจจะจับความแปลกเราไม่ได้เลยนะคะรู้แต่ว่าเอ๊ะทาไมเดี๋ยวนี้ดีขึ้นนิ่งขึ้นแปลกให้แปลกไปในทางนั้นดีขึ้น <laughs> จะดีมากค่ะนวัต ก, การขอเพื่อคุณท่านไพบูลเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสําหรับวันนะะี้บบนค่ะจนวัส ก, การคะ่ะทางฝั่งที่โทรมาและนั่นก็คือพระอาจารย์ไพบูลหรือว่าพระมหาไพบูลอภิปุณโณนะคะวัดป่าดอนหายโศอุดรธานี รายการนี้สันสนิยสนทนาค่ะเิฉันจะสนทนากับพระอาจารย์เนศดาลาสองครั้งคือวันพระศุกร์กับวันศุกร์ส่วนท่านเองเนี่ยก็พบกับท่านฟังกันเป็นประจำเรืยมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะคะสัปดาห์นี้5้าวันค่ะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทาง f อฟเอร้อยหครอบครัวข่าวแห่งนี้นะคะวันนี้ดิฉันสันสนิยน่าพงลากันไปก่อนนะคะพุทธสวัสดีค่ะ